เจริญปิดุขะวียाิปิดุขะมรณะปิดุขมปุถ ख เ अ ห์สัมพยโยโกฎุขโขป प ถุเยห์วิพยโยโก खो य ं पिच्छम नोल भति त ं प ि द ु ख ं स ं ख ि त त े पञ्चुपादान ख ं ध ा दुखा इ द ं खोपन भिक्खे ดัมขบานบิขเบดุขสัมบูญยมยมอริยะสัจฉมยายมตัณหาปโอนุบวิกานันดีรากาสะหกตาตัตรัตตรัิณี เสียที่ดัมกามตัณหาบัณฑิตัณหาวิบัณฑ इ ตัณหาดัมข้ปัภิกขเวดัมข้ปภิกขเว दुख घ न ि र ो ध ं अरिय सचम ् य ो त स ् स ा य व तन्हाये असीस विराग निरोध चागो प ट ि न ि स क ो म ु त ् त ि य न ा ल य ो इ द ं खोपन भिक्खवे इ द ं खोपन भिक्खवे दुख न ि र ो ध ग ा म ि न ी प ट ि प द ा अरिय सचम อายเมวาอาเรโยอัทถังกิโกมะโกเศยทิดม์สมมาดิธีสมมาสังคปปุสมมาวาจา สมมาก क รมตัวสมมาอาชีพสมมาบายามสมมาเศรษฐมมาสมา ข้อนุโมทนากับพวกเราที่ได้ตั้งใจในการจะศึกษศาพระธรรมนะีในการศึกษาพระธรรมในะพระพุทธเจ้าอัดไว้บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอจักสําคัญข้อนั้นเป็นเไหนคือความเรื่องที่ทําได้ยากยิ่งหรือความยินดีได้ยากยิ่งคําว่าเป็นธรรมอันสงบเป็นธรรมอันสงบก็คือเยือกเย็นเพราะมีความเร่าร้อนทั้งปวงเข้าไปสงบแล้วเนะี่ยทีนี้ ไดบรรดาสัตว์ทั้งหลายเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเป็นผู้ที่ชื่อว่ามีอะไรเพราะอัธว่าเนี่ยอันสัตว์ทั้งหลายพวพัณคือซ่องเสพควรอภิรม์ได้แก่ว่าเป็นผู้ที่ยินดีในการมคุณห้าคือยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสสัตว์โลกทั้งหลายเป็นผู้ที่มีความยินดีพอใจในการมคุณห้าอย่างมั่นคงอย่างนั้นท่านจึงเรียกว่าอะไร ฉะนั้นการที่พัวพันด้วยกามคุณห้ายินดีแล้วก็ประสบความยินดีสนุกสนานราเริงด้วยกามคุณทั้งห้าเนี่ยด้วยอํานาจแห่งตัณหาจริตร้อยแปดเนี่ยนยีคือตัณหาที่เป็นไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในธรรมารมณ์เป็นต้นเนี่ยลักษณะอย่างนี้นี่แหละท่านจึงเรียกว่าเป็นผู้ที่มีผู้ยินดีด้วยอะไรฉะนั้นสัตว์โลกเหล่านี้ย่อมชอบใจย่อมเพลิดเพลินยิ่งทีเดียว แม้ด้วยราคาทั้งหลายเนะี่ยสัตว์ที่บันเทิงพร้อมหรือว่ายินดีด้วยอะไรต่างๆเหล่าเนี้ถ้าผู้มีพระภาคเจ้าพิจารณาดูว่าเป็นผู้มากโดยอุบัติและยินดีด้วยความอะไรอย่างเนี้พระธรรมเทศนาที่พระองค์จะตรัสรู้เพื่อจะยังสัตว์เหล่านั้นให้พ้นจากอะไรเหล่านั้นจึงวอกยากเหลือเกินฉะนั้นสัตว์โลกที่เป็นผู้ที่มีความอาลัยในการมาคุณทั้งหลายเนะี่ย ดูอย่างพวกเราทั้งหลายเรามาพิจารณาดูเนี่ยเราอะไลอาวอ์จริงๆนะไม่ว่าจะอะไลอาวอ์ในทรัพย์อาไลอาวอ์ในญาติพี่น้องเป็นต้นเหล่านี้นะในเพื่อนสนิทมิตรสหายเนี่ยนะลักษณะที่เราอยากจะช่วยเหลืออยากจะเขาขาดเราไม่ได้เขาเราขาดเขาไม่ได้อะไรก็แล้วแต่ลักษณะอย่างนั้นเป็นข้อบ่งบอกว่าสัตว์นั้นเป็นผู้ที่มากไปด้วยอะไรเนี่ยอีกประการหนึ่งพระบรมศาสดานั้นท่านเป็นสัพพะพิภูใช่ไหม เราครอบงามธรรมมันเป็นไปในภูมิทั้งสามคือธรรมที่เป็นไปในการมาภูมิรูปภูมิและก็อารมณภูมิเนี่ยสัพพะวิทูน่ยได้รู้และได้เข้าใจแล้วซึ่งธรรมมันเป็นไปในภูมิทั้งสี่ธรรมที่เป็นไปในการมาภูมิรูปภูมิอรูป์ภูมิและโลกุตละภูมินั้นพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นน่ยเข้าใจแล้วทีนี้เมื่อพระบรมศ า, าสดาไปพบปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเนี่ยพบที่ไหน พบที่ป่าอิสิปตนาเมลึกทายาวันแฝงเมืองพราณศีใช่ไหมเมื่อไปพบแล้วพระบรมศาสดาก็ปารบในการที่จะเทศนาธรรมจักกับปวัตนสูตรไอ้ชื่อว่าธรรมจักเนี่ยที่เรียกว่าธรรมจักโดยความหมายคำ ว, ว่าจักเนี่ยพระอัฏว่าเป็นไปนะคว่าจักเนี่ยพระอัฏว่าเป็นไปคือธรรมที่มีศรัทธาเป็นต้นให้เป็นไป น, นั่นเอง คำว่าจักกะนี่เนี่ยจอจานไม้หันกไก่รอเรือคำว่าจักคำนี้นะแปลว่าหมุนเนี่ยนะเอาอะไรละหมุนไปเอาศรัทธาสัจทินรียวิริยินทรียสตินรีสมาทินรียปัญญินทรียเนี่ยหมุนไปในสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าจักทำมาจากโดยความหมายจักเขาอาจจว่าเป็นไปคือทําศรัทธาเป็นต้นนีนเป็นไปอีกประการหนึ่งอัจฉริยะที่ชื่อว่าจักจักนั้นด้วยเป็นธรรมนั้นด้วยเพราะ ไม่ไปปราศจากทำเหตุนั้นจึงชื่อว่าธรรมจกักฉะนั้นธรรมจักเนี่เป็นจักโดยธรรมนะโดยความถูกต้องธรรมจกักเพราะอาจว่ายังทำและจักนั้นให้เป็นไปถ้าพูดถึงคําว่าธรรมจกักไอ้จักนั้นหมายถึงวงล้อใช่ไหมเขาแปลกันง่ายๆดีไปเจอที่ไหนไหมท่านแปลงง่ายๆว่าธรรมจักเนี่คือวงล้อแห่งธรรมคู่กับอะไรคู่กับอนาจากักอนาจักเขาแปลวงล้อแห่งอํานาจ ถ้าวงล้อแห่งอำนาจก็คือว่าเป็นจักรเป็นอำนาจของพระราชามาหากษัตริย์วงล้อแห่งอำนาจก็คือแผ่ไปตามเมืองต่างๆเพื่อที่จะครอบครองเมืองน้อยเมืองใหญ่เป็นต้นขึ้นอยู่ในอำนาจของตนเองอันนั้นเขาเรียกว่าอานาจักแต่คำว่าธรรมจักรเนี่ยหมายความว่าเป็นการประกาศพระธรรมนั้นให้หมุนหมุนธรรมจักรนั้นให้เป็นไปใช่ไห แต่ธรรมจักรจะเป็นไปหรือไม่อีกความหมายหนึ่งจากพระอัตรว่ายังจักและธทมนั้นให้เป็นไปหรือพระอัตรว่าย่อมให้เป็นไปโดยธรรมประการที่4ก็คือธรรมจักรพระอัตรว่ายังธรรมโดยปริยายนั้นให้เป็นไปลักษณะอย่างนั้นเขาเรียกว่าเป็นธรรมจักเนี่ยนะโดยในใจความของธรรมจักกับประวัฒนาสูตรนั้นนะพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงอะไรโดยความหมายในธรรมจักรกับประวัฒนาสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดง ที่บอกทเวเมพิกเวอันตา way, May, way, เป็นต้นเนี่ยนะทเวเมพิกเวอันตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนสองคำว่าส่วนสองในที่นั้นนะคืออะไรคือภาคสองนั่นเองส่วนสองนั่นเองมันมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งก็แปลไว้ดีนะที่บอกว่าข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้เนีะเอวเมสุตังนะเนี่ย เอกังสมัยังพระาวาราณาสียังเวราติอิสิปตนมิกทายะสมัยหนึ่งพระพุทมีพระภาคเจ้าประทับอยู่นะอิสิปัตนาเมรุขไทยาวันแฝงเมืองพระราชนิจตรงนี้ได้อธิบายได้อย่างคําว่าอิสิปตาาัตนาอิสิเนี่ยอิสิปัตน า, าเนี่ยคืออะไรคำว่าอิสิปัตน า, าเนี่ยมันคืออะไรน้องช่วยอธิบายตรงนี้หน่อยทีในฐานะที่ฟังกันมาแล้วเนี่ยนะคาว่าอิสิ อิศิในที่นั้นก็คือฤาษีนั่นแหละแต่เป็นชื่อของว่าปัเจกับพุทธเจ้าเป็นที่เหาะลงมาของฤาษีแล้วก็เป็นที่เหาะขึ้นไปของฤาษีทั้งหลายเขาจึงเลยเรียกว่าป่าอิศิปัตนะมลึกฆ่าเนะ่ยมลึกฆนะ่เนี่ยแปลว่าเนื้อทายานะเนี่ยทายะแปลว่าการให้หรือแก้ว่าพระราชาทานหรือแปลว่าการให้วันนะ่ยแปลว่าป่าอิศิปัตนะมลึกาทายาวันานีแ่แปลเองนะเนี่ย ไม่ได้ดูความหมายหรออิสิปัตนะมฤกทายาวันก็ปแปลว่าอะไรเนี่ยจริงๆอิสิปัตนะเป็นที่ขึ้นลงของฤาษีทั้งหลายนะของพระปบาเจกับพะพุทธเจ้าทั้งหลายก็มาขึ้นลงลงนะมฤคค้กาก็ถือเป็นที่ที่เนื้อเขาอยู่เนึ่ยทายะในที่นั้นก็เป็นเป็นที่ให้เอ้พระราชาเขาพระราชาทานเนื้อให้กับพระราชาทานอาหารให้กับเนื้อหรือพระราชาทานชีวิต ให้กับพวกเนื้อเหล่านั้นว่าไม่ไม่ไม่ทําลายเพราะอะไรรู้ไหมมันมีเรื่องเล่าอยู่หลยถ้าเรื่องเล่าเนี่ยต้องสาโทกอดีตมาแล้เนี่คือว่าอยู่ต่อมาเนี่ยพระราชาเนี่ยปรารถนาที่จะกินเนื้อในป่าเนี้ยนะก็จับไปวันละตัวละตัวเนี่ยคือก็จะต้องมีการส่งไปให้วันละตัวละตัวเนี่ยอยู่ต่อมาถึงคิวของไอ้เนื้อกวางที่มีแม่ลูกอ่อนเนี่ยเพราะโพธิสัตว์ก็เกิดเป็น พยากวางนั้นด้วย เ, ยเกิดเป็นเนื้อด้วยก็เลยไปแทนพอไปแทนเรื่องก็เลยปรากฏเกิดขึ้นมาบอกว่าเอา้าทําไมไม่มาตามลําดับก็เลยบอกว่าตนเองเนี่ยมีตะกรุณาของแม่เนื้อที่ตั้งครรนนั้นตั้งแต่นั้นนะพระราชาก็เลยพระราชาทานชีวิตให้ก็เลยไม่มีใครไปทําร้ายชีวิตเขาก็เลยเรียกว่ามลุกขายาวันป่า ว, วันนั้นก็คือว่าป่า นี่ความเป็นมาในลักษณะที่เขาเล่ากันมาในลักษณะอย่างนี้นะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับณ ป, ป่าอิศิปัตนะมฤคทายวันใกล้เมืองพราราณสีปัจจุบันก็เรียกแฟนกาสีเนี่ยนีตัดตะระโขภะกวาปัญจวคีเยภิกขะมันเตศีในการนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัดกับปัญจวคีว่ดาดเวเมภิกขเวอันตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วน2องท่านอธิบายว่าภาคสองนั่นเอง มาจากคาว่าอะไรทเวเมีพิกวยอันตาอันตาสับอ่ะอันตาสัพท์นพนพในพระบาลีนั้นบอกความหมายว่าภาคเช่นในคําว่าถ้าเรียนปฏิจจสมุปบาทจะมีคําว่าอะไรปบพันเตยานังอปรันเตยานังก็แปลว่ายาณในส่วนเบื้องต้นและยานในส่วนเบื้องปลายพระสุรเสียงที่เกิดก้องเป็นไปในการเสมอกันกับการทรงเปล่งนั้นนะ น, นะเบื้องต่ําถึงเอเวจีเบื้องสูงถึงภระวกระผม ในวันที่พระบระมา ศ, า ศ, าศาสดาเทศนาธรรมจักรกัพวัฒนาสูตรนั้นพระสุรเสียงของพระเจ้านะี่ยดังกึกก้องมากนะถึงอเวจีมหานรกในสมัยนั้นถ้าเราทั้งหลายตกในนรกในรงอเวจียอยู่คงสะดุ้งตเตือนบ้างนะถ้าเบื้องสูงถึงภวักกพรหมเนี่ยพระวักพนะพวกพรหมมีอยู่สามอย่างนะปุตุชนภวักฆะสัพพาวคกฆะและอริยะภระวักฆะปุตุชนภระวัคฆะได้แก่ชั้นไหนเวหะพลาภูมิ สภาวะค้าได้แก่เนวะสัญญานาสัญญายสนาภูมิอริยาพะวาค้าได้แก่อากาิิถาภูมินี่เขาเรียกว่าถึงภวะกะภูมินะเนื้อแผ่ไปตลอดหมื่นโลกธาตตั้งอยู่ด้วยพุท ธ, ธานุภาพในสมัยนั้นนั่นเทียวพรหมทั้งหลายมีจํานวนเท่าไหร่18โกดผู้มีกุศลมูลแก่กล้าแล้วได้กระทําปุญญาธีการไว้เพื่อการตรัสรู้อริยสัจสี่กาวคือทุกสมุทัยนิโรธมรร ได้มาประชุมกันพาทิตย์ก็ได้อัดสดงณนะปัจจิมาทิตพระจันทร์ก็เต็มดวงประกอบด้วยวันอาสาหาเลิกวันนั้นเป็นวันอาสารหัมบูชาขึ้นสิบห้าข้ามเดือนแปดใช่ไหมได้พอขึ้นนะปาจีนทิศสมัยนั้นพระพุทธมีพระภาคเจ้าก็เริ่มท ร, รมจาจักกับปวัตนัสูตรด้วยบทว่าทเวเมพิกเวอันตากบอกว่าดูก่อนภิสูุ์ทั้งหลายบรรพชิตไม่ควรประพฤติส่วนที่สุดสองอย่าง คำว่าปรป치เตคือบุคคลผู้ตัดเครื่องผูกคือเรือนเนี่ยบรรพชิตเนี่ยเข้าถึงการบรรพชาเนี่ยนะบรรพชิตเนี่ยบรรพชิตเนี่ยคือใครคนที่ตัดเครื่องผูกตัดเครื่องผูกในที่นั้นคือตัดกรารมมาคุณตัดอาลัยดังที่ได้กล่าวว่นะเบื้องต้นน่ยถ้าสัตว์ทั้งหลายผู้ที่ยังมีความอาลัยในกามาคุณทั้งหลายใช่ไหมอาลัยในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ธรรมารมณ์ทั้งหลายเนี่ยสัตว์ที่มากไปด้วยอาลัยเหล่านี้จกเป็นบรรพชิตได้ไหม ไม่ได้บุคคลที่จะเป็นบรรพชิตได้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่ตัดเครื่องผูกคือเรือนเนี่ยนะคำว่าเรือนในที่นั้นเป็นชื่อของอะไรเป็นชื่อของอะไรเวทนาที่อาศัยเรือนเรือนในที่นั้นเป็นชื่อของการมะคุณใช่ไหมสุขเวทนาที่อาศัยเรือนทุกขเวทนาที่อาศัยเรือนและอุเบกขาเวทนาที่อาศัยเรือนเนี่ยคืออาศัยอามิตรอาศัยเหยื่ออาศัยเหยื่อ เยื่อในที่นั้นก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็คือเป็นชื่อของวัตถุกรรมนะเด็พระพุทธเจ้าต้องใช้คําว่าณนะเสวิตภาก็าความว่าไม่พึงใช้สอยคือไม่พึงประกอบณนะเสวิตาพาเนี่ยนะณนะเสวิตภาบรนประชิตไม่ควรไม่ควรประพฤตินะ่ยไม่ควรประพฤติก็คือว่าไม่พึงใช้สอยไม่พึงประกอบไม่พึงประกอบอะไรโยจายังกาเมสุกามาสุขาริการโยโคก็คือว่า การประกอบความสุขด้วยกิเลสกรรมในวัตถุทั้งหลายคืออย่าทํากิเลสกรรมคือความไข่เนี่ยให้เป็นยินดีพอใจในวัตถุกรรมคําว่าวัตถุกรรมเนี่ยถ้าว่าโดยรวมได้แก่อะไรใครลองยกวัตถุกรรมมาหน่อยที่ได้แก่อะไรเอาแค่ไหนวัตถุกรรมเนี่ยโลกิยาจิตแปดสิบเอ็ดใช่ไหมโลกิยา จ, จิตแปดสิบเอดเจตสิกห้าสิบสอง 52, รูปยี่สิบแปดจัดด้วยเป็นวัตถุกรรม เป็นวัตุกรรมทั้งนั้นนะ่ยกิเลสเนะ่ยคือราคะที่สหอมรคตกโลพาเนี่ยนะที่ไปยินดีพอใจในการมภูมิรูปภูมิและอรูปภูมิเนี่ยลักษณะอย่างนั้นชื่อว่าไปยินดีในวัตถุทั้งหลายนั้นถ้าบอพูดอย่างนี้มันหมดเลยนะไอความยินดีพอใจความไข่ความอาลัยอาวลทั้งหลายในการประกอบความสุขด้วยกิเลสกรรมในวัตถุทั้งหลายเนี่ยอธิบายว่า การเสวยอารมณ์มันประกอบด้วยกิเลสกรรมนี้ใดถ้าเสวยอารมณ์ด้วยกิเลสกรรมนี้ใดเนี่ยในบทว่าฮีโนใช่ไหมมีไหมมีบทนั้นไหมทเวเมพิกเวอันตาปะปจิเตนนเสวิตภากตัมเมทเวโยจายังกาเมสุกามาสุขาริกาโุโยโคฮีโน่ฮีโนคํานั้นเขาแปลว่าอะไรเป็นของต่ําสามเป็นของต่ำสามอะไรคือต่ำสามล่ะอกุศลละจิตสิบสองเจเดศิษยี่สบเจ็ นั่นแหละคือของต่ําถ้าโรพะโทสะโมหะมานะทิฏฐิวิจิกิจฉาอิริกาโนตปะอุทธะจ่าเป็นต้นเกิดขึ้นในกระแสจิตในขณะนั้นชื่อว่าต่ําซามแล้วคือเป็นของต่ํำซามนะคำโมเป็นของชาวบ้านเพราะชาวบ้านเหล่านั้นก็พึงเสพเขาพึงเสพกันมาฉะนั้นชาวบ้านทั้งหลายเขาอยู่ด้วยอะไรเขาอยู่ด้วยโรพะโทสะโมหะเนี่ยชาวบ้านเขาอยู่กันอย่างนี้ ก็บอกเป็นของชาวบ้านพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรเสพนา น, า, นาเสวีตถาภานี่ยนะบอกว่าไม่ควรเสพนะเป็นของต่ำซามนะเป็นของชาวบ้านว่าชาวบ้านเหล่านั้นเขาพึงเสพเขาเสพในที่นั้นก็คือเขาใช้สอยถามว่าชาวนาของชาวบ้านนะเป็นยังไงก็คืออกุศลลชาวนะคือมากไปด้วยความโลภความโกรธและความหลงนั่นแหละคืออกุศลโชนะที่เขาเสพกันวันหนึ่ะ เขาเห็นสิ่งดีๆเขาก็เสพด้วยโลภะเห็นสิ่งที่ไม่ดีเขาก็เสพด้วยโทสะและในขณะเดียวกันเขาก็ไม่แทงตลอดอริยสัจอันใดเลยเนี่ยลักษณะอย่างนั้นเขาเรียกเป็นของชาวบ้านชาวบ้านทั้งหลายเขาประพฤติกันมาอย่างนั้นปุถุชนิโกอันปุถุชนคนโง่เขา่ามืดบอดเขาประพฤติกันมาเนี่ยนะท่นานถามว่าปุถุชนิโกเนี่ยนะส่วนสุดทั้งสองการเสวยความสุขในกามคุณที่สามเป็นของ ชาวบ้านเป็นข้อปฏิบัติของคนมีกิเลสหนาไม่ประเสริฐหาประโยชน์ไม่ได้ปุถุชนิโกก็คืออันปุถุชนคนโง่เขาคนมืดบอดเขาประพฤติกันมาพอบอกว่าคดปุถุชนเนี่ยเขาแปลว่าหนาใช่ไหมผู้ยังกิเลสหนาให้เป็นไปเนี่ยปุถุชนนี่ผู้ยังกิเลสหนาให้เป็นไปเนี่ยถามว่าหนาขนาดไหนเอาคําว่าหนาในที่นั้นเอาอะไรเป็นเครื่องวัดลองไปบอกบุญคดปุถุชนแท้ๆดูทีก็โกรธเลย ถ้าเขามานั่งฟังพระธรรมอย่างเนี้ยเขาจะแทงตลอดพระธรรมได้ไหมเนี่ยความหนาแน่นของปุถุชนเนี่ยปุถุชนอนอนเป็นอย่างเนี้จิตใจเขาจะไม่น้อมเข้ามาในการที่จะประพฤติธรำปฏิบัติทำไข้ครควนหรือยินดีในพระธรรมเลยจกไม่มีตรงนั้นเลยนะเนี่ลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าอันปุถุชนคนโง่เขาคือมืดบอดเขาประพฤติกันมาอันนัฎโยความว่าไม่ประเสริฐคือไม่บริสุทธิ์คือไม่สูงสุดและไม่ใช่ของพระอริยะทั้งหลายนั่นเอง ลักษณะอย่างนั้นเขาจึงเรียกว่าอนาริโยอนนาลิโยไม่ประเสริฐน่ยนะไม่บริสุทธิ์อนาลิโยไม่ประเสริฐไม่บริสุทธิ์หรือไม่สูงสุดเนี่ยเพราะอะไรเพราะไม่เป็นไปกับสิกขาสามในขณะนั้นศีละสิกขาจิตตสิกขาและปัญญาสิกขาไม่ดําเนินไปนั่นเองจึงจัดว่าไม่สูงสุดและไม่ใช่ของพระอริยะทั้งหลายอนัตถสันหิโต คือไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์ไม่อาศัยเหตุอันนำมาซึ่งประโยชน์เกื้อกูลและความสุขพอพูดถึงตรงนี้ต้องเอาสูตรอื่นมาเชื่อมนะคำว่าไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นเสียตาหูจมูกลิ้นกายใจอันเธอทั้งหลายล้าได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุข ทีนี้ถ้าหากว่าเรายังยินดีพอใจในตาหูจมูกลิ้นกายใจยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วแต่ทำมาลมบอกชัดเลยว่าในขณะนั้นเป็นบุคคลที่ไม่อาศัยเหตุนำมาซึ่งประโยชน์แก่กุลเพื่ อ, อวความสุขถามว่าเวลาเราไปให้ทานรักษาสินเป็นต้นเราก็ปรารถนาเลยขอให้ข้าพเจ้ามีอัตภาพที่ดีงามใช่ไ คอยเข้าไปเจ้าอย่าได้ยากจนเขียนใจเลยในการเกิดไปในภพหน้าคอยเจ้าอยู่คอยเข้าไปเจ้าอยู่ดีมีสุขนืนอย่างนี้เขาเรียกปรารถนาอะไรปรารถนาสิ่งที่มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์มีประโยชน์ไหมยอย่างนี้คือสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เพราะว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นเป็นอนิจจารักษณะทุกลักษณะและอนัตตลักษณะและเป็นอสุภะด้วยไม่ใช่ประโยชน์เกื้อกูลและไม่ใช่ความสุขไม่ใช่หรอก ทีนี้โดยความที่เราเนี่ยไม่ได้ฟังอนัตตลกณสูตรให้แจ่มแจ้งให้ชัดเจนใช่ไ้ยก็ลักษณะอย่างนี้ท่านจึงบอกว่าอนัตสันฮิโตน่คือไม่ประกอบได้ประโยชน์ไม่อาศัยเหตุนามาซึ่งประโยชน์เกื้อกูลและความสุขเราจากไม่ได้ความสุขที่แท้จริงไม่ได้เพราะความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ใช่โลกิยธรรมเนอความสุขที่แท้จริงนั้นจะต้องเป็น พาณิพานคือการเส้นจากว่าแตทุกข์บทว่าอัตตะกิรามะฐานุโยโคก็ได้แก่การประกอบตนให้ลำบากอธิบายว่ายัางไงการประกอบตนเองให้ลำบากเนี่ยอะไรชื่อว่าประกอบตนเองให้ลำบากคือยังทุกขให้เกิดขึ้นนะ่ะทุกข์โคนํามาซึ่งทุกข์ด้วยการเบียดเบียนตนนะ่ะมีการอิงและการนอนบนหนามเป็นต้นนะลักษณะอย่างนั้นเขาเรียกว่าการทําตนเองให้ลําบาก